นะก็แสดงว่าชราเป็นธรรมดาก็แสวงหาสิ่งที่มีความชราเป็นธรรมดานะี่นะแต่มันก็อะไรนะมัคิดได้นะตอนที่ไม่ได้ส่งกระจกว่าความคิดมันไม่ยอมรับใช่มเขบอกว่าความชรามีอยู่สองอย่างชราแห่งรูปประธรรมและนามปรธรรมาชราแห่งรูปประธรรมเนี่ยโดยมกสัตว์ยอมรับ